โดยที่ไม่เห็นผลแห่งการกระทาของตนและคนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ตายจากโรคมนุษย์มานั้นก็มีไม่ใช่น้อยแม้มนุษย์จะไม่ทำบุญให้เลยท่านเหล่านี้ก็ยิน ด, ดีจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาสู่โลกของโอปปาติกะอย่างเต็มที่และทำด้วยความเต็มใจและส่วนมากก็มีความสันทัดหรือมีความชนานาญในการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่มาสู่โลกแห่งวิญ ญ, ญาณ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 เพราะความรักความอาลัยของญาติที่น้องนั้นทำให้เขาต้องมีความผูกพันอยู่อีกตัดไม่ได้แล้วลองคิดดูสิว่าจะทรมานเขาสักเพียงไหนมนุษย์เกือบจะทั้งโลกไม่ทราบความจริงอันนี้เลยเราท่นนานแนะให้นึกถึงพุทธพจน์ที่ว่านหิรุนนังวาโสโกวายาวัญญาบริเทวนาณตังเปตานามัทยะเอวังติดถันติยาตะโย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 จะไม่ทรมานคนที่ตายไปแล้วก็ต่อเมื่อ 1. คนที่ตายไปแล้วยังหลับอยู่หรือไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งห่างไกลจากญาติพี่น้องมากและไปมีเรื่องใหม่ที่ทำให้สนใจอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่ได้นึกถึงญาติพี่น้องเลยซึ่งในกรณีอย่างนี้มีน้อยรายมากและผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเกิดอยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้น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 และให้รู้จักปรับตัวเองเสื้อใหม่ให้เหมาะสมในอันที่จะอยู่ในโลกของโอปปาติกะความทรมานก็จะมีอยู่ไม่นานแต่คนอย่างนี้หายากเพราะเหตุนี้ท่านจึงอยากจะเตือนผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์ให้ละเว้นจากความเศร้าโศกเสียใจ 2. คนที่รู้ตัวมาก่อนที่จะตาย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 ใจชีวิตกว่าที่รู้กว่าที่คิดได้ก็สายไป